บอกเป็นภาษากลางบอกยากบอกเออภาษาพื้นบ้านเออมื่อนีเป็นวันที่เก่ากลุ่มผ้าพันพุทธศักรารสองพันห้าร2อยห้าสิบเก้าเมื่อเนีคณะศรัทธาญาติโยมมาจากอำเภอโชพิศัยจังหวัดบึงการจับกลุ่มกัน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 อบอุ่นอุ่นหนาวฟ้าข็งแต่เมื่อในเกิดผ้าทัศนศึกษาหัวหนาผ้าทัศนศึกษาอยากจะให้พี่น้องจะท่าญาติโยมลูกหลานทั้งหลายเขามาจู ว, วัดว่าศาสนาแล้วมาวัดหลวงพ่อแต่วัดหลวงพ่อทั้งหมดมีกว้างนะลูกหลานนะเนือที่ทั้งหมด 1, หพันสหสิไร่อยู่ฝากตรงขามตรงขามในวัด แต่ตรงนี้เป็นที่ยี่สิบกว่าไรสำหรับปลูกสลาขึ้นมาเพื่อลองรับพี่น้องประชาชนอย่างเมื่อนอี้แหลแต่อยู่ทางในมันมีแต่ต้นใหม่ปลาใหม่หนาแน่นมัดที่ขยายจะขยายไปเกิดเสียปลาเสีย้ายปลาแต่ตรงนี้เป็นไฮเขาโพดเป็นไฮเป็นหน้าเขาแล้วก็เลยขยับขยายมาตรงนี้ปลูกอาข้านขึ้นมาเพื่อรองรับ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 เมื่อค่อนขาเจตีแล้วท่าความชั่วได้ทุกอย่างขาไภก็ได้ขโมยไภก็ได้ลาหลาบละลวงในสามีภรรยาลูกล้านไภก็ได้โกหกตุมตุ้นหลอกล่ว ง, งไภก็ได้เพราะขาดเจติเพราะฉนั้นให้ให้ท่ำตีเนอเนี่ยนะท่ำดี น, ะ, ดนะพูดดีกับบอพูดเอขอที่สีบอพูดโกหกตุมตุ้นหลอกล่วงเอยุแยงกระแท่งให้ลวกแตกแยกสามัคคีกัน